ไม่มีขอบเขตไม่มีใครให้ใบประกาศแจวัดสำเร็จชั้นตีชั้นโทชั้นเอกไม่มีเลยควาโง่เราพากันโง่พากันโง่อยู่ตลอดเวลาความโง่นี่แหละยิงเ้าทำให้เราจม ให้เราไม่สามารถจะพื้นผูขึ้นมาได้โง่น่มีหลายอย่างโง่ในการทำมาหาเรื่องชีพโง่ในการความทิบความไหวและการโง่ในการที่จะเอาตนรอดปลอดภัยหลายเรื่องหลายอย่างความโง่ที่ มักหมอมันในใจของเราเราเรียนเท่าไหร่มันกินเรียนเรียนไปเถอะไม่จบไม่สิน้นสักทีเรียนความฉลาดข้างรอบวิชาอิทยาศาสตร์แทนใหม่อะไรต่างๆเรียนไปมดแต่ตัวของเราภายในนันไม่รู้เรื่อง มันโง่อยู่ภายในอันคือความผิดความถูกเกิดขึ้นในใจั้งสดคิดว่าตนดีคิดว่า ต, น ว, าตนวิเศษ น, นั้นแสนโง่ทีเดียวถ้าคอยใจว่าตนฉลาดตนดีตนวิเศษตนเลอเลอิะดเรสติปัญญาอุบายต่งาง อันนั้นแหะเป็นโง่ที่สุดคนใดเข้าใจว่าตนฉลาดไอต้ตนโง่เพรคนนั้นฉลาดบ้างพระพุทธเจาเป็นเทสนานั่นอคนใดเข้าใจว่าตนโง่เพราะนั้นขึ้นฉลาดขึ้นมาบ้างเราเรียนวิชาทุกอย่างเรียนเอาไปใช้นอก ออกไปจากตัวของเราไม่ใช่เรียนเข้ามาในตัวของเราเรียนส่งไปปรุงแต่งออกไปนอกจากกายนอกจากใจคาว่ากลายคาว่ากลายมาจากกลายเนี่ยมันกลายออกไปจากนี้แหละ มันออกไปจากกลายมันกลายไปจากนี้แหละมันกลายเป็นกลายใช่คือมันกลายมันข้ามกลายไปแล้วเดงไม่เห็นตนผู้ตนเปรียบเหมือนกับตาไม่เห็นลูกตาตาไม่เห็นไม่เห็นก่อนดน้น โบราณท่านว่าตากระกระด้นนั่นอยู่ด้วยกันไม่ทราบกี่ปีกี่ชาติไม่เคยเห็นเลยกระดน้นเยกของไม่เห็นสักทีไทยถอยนีย่กระด้นคือไทยถอยนั่นเองไม่เคยเห็นเลยนันอยู่ด้วยกันไม่เห็นอย่างนี้นะเละถึงว่ามันโง่ฟังนี้นั่นนะ่ะคือมเมนจัวของเรา <c oughs> ถ้าหากเราเรียนกายเรียนใจเหมือนกเรียนหนังสือเราเรียนพระกับพระจันทนะผสมกันได้เลยจะเขียนไม่แต่จเขียนไปเท่ไม่มีที่จริงที่สุดอันนี้เรียนเข้ามาภายใน เรียนระเบภายนอกมันส่งโอภายนอกเนาะอ้วนปรุงแต่งไปนอกเนาะไม่มีที่สินที่สุดเรียนภายนอกเรียนข้ามาในจบกันเลยที่จะเรียนขัวโม่ให้จบต้องเรียนเข้ามาภายนเรียนระเบิดภายนอกไม่มีจบ แต่เขาก็ว่ า, าจบด้แหละปัญญาเอกปัญญาโทปัญญาตีแดงต่างเขาตัวใด้ัญญาได้จบแล้วเรีย่ยใช่ไหให้คิดดูอ่ะนี่ฌานั้นมันจบที่ไหนอั้นของที่ไม่รู้ยังเยอะแยะมากมายกลายกองเย็นไม่จบที่ไหนกองลูก มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยมวัฒนาการในสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้มันมีเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันไม่อยู่คงที่เรามาพากันเรียนวิชาไม่เรียนขวมโงค่ค่ะนี่คือเข้ามาในตัวของเรามาเอากายกับใจนี่แหละเห็นแล้วยังใจ มันไม่เห็นมันกังโง่อยนั่นเองกายเห็นแหละอันนี้กายเห็นแล้วมันเห็นจริงไหมมันเบื่อมันหน่ายมันหายไหมแล้วมันยังยึดยังถืออยู่ควายึดของถือนั่นน่ะเรียกว่าไม่เห็นจริงอนาตาัตตาของเราเป็นอนัตตา จริงแล้วพัดวัตถุทั้งขวงหมดเป็นอนัตตาอนัตตาคือมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจรึงเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีอยู่แต่มันได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาจึงเรียกว่าอนัตตาไม่แกมันก็แก่ไม่แก็มันก็เจ็บ ตายมันก็ตายแล้วพากจากฐานมันก็พัดพักไปทายัางไงยังไงมันก็อยู่ในบรรทัดบัรจักรนั้นแหะท่านเรียกว่าอนัตตานั้นแหละท่านเรียกว่าอนิจจังของไว้เที่ยงของไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังแล้วเป็นอนัตตาเนี่ยมันยังก็เป็นทุกข์เราเห็นแล้วหรือยัง นี่เรียนกายกับใจใจเป็นคนเห็นกายจึงโอมาเปรียบเหมือนกันเรียนสระกับพระจันชนะผสมกันแล้วผสมกันแล้วต้องผสมกันได้แล้วต้องผสมไปได้มดทุกอย่างจะเ ข, ขียนจะเขียนจะอะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องเป็นดาวอะไรต่างๆเขียนไปมดกจาก ทักับปัญนะเท่านั้นทำทั้งหลายก็ออกบรรากายกับใจไม่นอกเหนือจากกายใจใจมาพิจารณาเห็นกายให้ก็เห็นทุกคนอะเห็นกายแต่มันไม่เห็นจริงมันไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็น อันนี้จังไม่เห็น 5, 3, สภาพตามจริงทุกอย่างมันจึงถอนมันยังปล่อยวางไม่ได้ราะนั้นค่อยไปทุกข์เดือดร้อนเดอดร่ทุกข์วิีทุกวันนี่ก็เพราะเหตุเห็นไม่จริงนะ่ะปล่อยวางไม่ได้นะ่ะถ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นจริงอริยสงฆ์สาวกท่านเห็นจริง เรียกว่าเห็นอริยสัจคือสัจจคของจริงน่ะเห็นไม่ใช่เห็นอะไรเห็นพัจจคของจริงน่ะอย่างที่ว่านี่แหละรูปนี้เกิดมันเป็นอนัตตารูปเป็นเนจังไม่ขอเป็นทุกข์อันนี้แหละเป็นสัจจถ้าเมื่อเห็นไม่จริงก็เห็นได้เพียงเป็นสัจจที่เฉย เห็นจริงไปแล้วจึเรียกว่าอริยสัจากานั้นแม่ของจริงของแท้ของกว่าอริยเจ้าจะไปหาที่อื่นไกลเลยธรรมะอาในตัวของเรานี่แหละผสมกันในที่นี้แหละให้ตากดเห็นขึ้นมาในที่นี้แหละ ใจเป็นกลุ่นเน้กายถ้ามีกายก็ไม่มีเครื่องพิจารณาไม่มีกายก็ไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีอนัตตามีนิจังไม่มีทุกขงังม้นมีกายมีนิจังทุกขังอนัตตามันเป็นเหตุนในพิจารณาได้ พู้ได้เจ้าท่านเตชสรู่กับเตชะู่ที่นี่แหละถ้าไม่ได้ไปเตชะรู่อื่นที่ไหนหรอกภาษาวกทั้งหลายไปสําเร็จมากฝนนี้พานก็มาสัมเร็ิที่นี่แหละกายกับใจนี่แหละพวกเทพทั้งหลายมีได้ใจพราะมีสกายทั้งหวงมดให้ปรากฏดก็ข้อมูอไม่ปลากรดรูปไม่มีรูป พองไม่ได้ไปแต่สรู้ไปแต่เป็นเทศนัน่นหรอเทศมนุษย์ของเราอย่งงางยากเลยนะเห็นด้วยตาเนี่แหละ เ, เรียกว่าเห็นด้วยตาตาเห็นแล้ ว, ลวนะมันไม่จริงมันต้องใจเข้าไปเห็นอีกทันเห็นตามันส่งออกไปนอก เห็นใจญาณทัศนะคือเห็นโดยใจทิฏฐโนวยานะทัศน์ทัศนคือเห็นโดยกายถือโดยตาญาณคือเห็นโดยใจเพียงเดียววิญญาณทัศน์เห็นด้วยใจคือมันชัดโดยใจนั่นเองถ้าไม่ชัดมันไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเห็นโดยใจ มันเห็นชัดแล้วกายมันเป็นอนัตตาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่าง ท, ที่อธิบายมันนะ่นนก็ปล่อยวางไปปล่อยไว้วางแล้วตามสภาพมันเป็นอนัตตาก็ปล่อยไปตามอนัตตาอ น, นิจจังมัเป็นอนิจจังก็ปล่อยไปตามอนิจจังคือมันของไม่เที่ยงแปรปรวนอ่เรื่อยไปก็ปล่อยก็ตามเรื่องของมัน นั้นตาไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไว้ตามเรื่องของหน้าตากันมันทุกขง์งก็เกิดเป็นทุกขเ์เพราะเจตนาแปลปวนก็ปล่อยไว้ตามทุกข์ซึ่งว่าเห็นมันเป็นจริงอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเนื้อหาคนต่างสมป ญ, ญายรัฐบาตพระองค์นเทศนาวควรเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างไรนี่จึงจะเห็น จึงจะได้ชื่อว่าเรียนควาโง่ไม่ใช่เรียนความลาดเรียนควาโง่มันโง่ตรงนี้ไม่เห็นกายของเราไม่เห็นใจของเรานี่แต่ั้นแต่ไรมาล่ะทุกทุกคนเนะ่ยเกิดจะมาโง่อย่างงั้นครูบาอาจารย์ั่งสอนแนะนำตะเกียรอะไรต่างเพื่อให้รู้ของโง่นะั่น่ะ ไม่เคยเรียนของฉลาดเอาไอ้ลูกของโง่ทหล่นั้นเนี่ยนั่ของที่ไม่รู้จึงเคยเรียนนั่นแ่ะมันโง่ของไม่รู้เนี่ยขอไม่เข้าใ จ, จเคยค่อยเรียนพอไม่เข้าใจนั่นมันโง่ผู้ที่เรียนทั้งหลายผู้ที่เข้าใจทั้งสวงไม่ถือว่าตนฉลาดมันยังลึกซึ่งมันยังละเอียดมากยังมากเหลือมากมความที่งโง่อยู่นั้น ยิ่งเรียนเท่าไรยิงเห็นขโมงโง่ขอ ง, งตนมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสอนสอนให้เราเรียนขโมงโง่ไม่ใช่เรียนสอนให้เรียนขโมงฉลาดเมื่อรู้โง่แล้วเห็นโง่เห็นรู้โงนะ่เห็นโง่เนนะี่ยจะเรียกว่าคนฉลาดก็ได้รู้โง่เห็นโง่แล้วคือมันรู้มันเห็นนะมันฉลาดมันไม่รู้ไม่เห็นนนะน่ะมันโง่ เหตุนั้นการปฏิบัติเอาพวกเราต้องปฏิบัติตรงที่กายกับใจนี่และอย่าไปส่งออกไปภายนอกให้จะเลียนนหนก็เรีย น, นเยนถอะท่านแห่งเข้ามาภายในส่งเขามาภายในเที่เรียงโมโง่ของตน เยนิชาคมเรียนศึกษาเรียนกรรมฐานเรียต่างหลายเรื่องหลายอย่างแลาครูรายอาจารย์ยุกน้อพ้องน้องกับเพียงเรียนโง่นั่นเนี่ยทำมาห้างเรียนโง่น่ะอาณาปารสติเราไม่ใจเข้าออกเรียนโง่น่ะพุทโธพุทโธก็เรียนโง่น่นะคือเรียนได้เห็นตัวโง่คือให้มีสติควบคุมจิต ที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เห็นจิตซะก่อนถ้าไม่เห็นจิตมันก่อนรักษาจิตไม่ได้คุมจิตไม่ได้ชำระจิตไม่ได้มันทราบว่าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรต่ออะไรมันสงสัยไปแน่ก็ไม่สราบ ใครๆก็พูดถึงจิตถึงใจจิตเป็นทุกจิตเดือดร้อ น, นยุ่งใจวุ่นวายใจยขนวนขวายใจยเดือดร้อนใจกระทับก็ใสใจว่าจะเรื่องใจนั้นแหละแต่ยังก็เห็นยังมาเห็นใจสักกี่ใจแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบยิตแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบ เมื่อไม่เห็นจิตไม่เห็นใจมันก็ไม่มีโอกาสที่จะชำระได้เห็นตัวเดิมมันซะก่อนเห็นตัวที่เราพูดเราพูดถึงอยู่แต่ว่าไม่เห็นตัวมันสักทีว่ามันเดือดร้อนมันยุ่งมันยุ่งตรงไหนใจมันเดือดร้อนตรงไหนใจ่เห็นแต่อาการของใจไม่เห็นอาการของไม่เห็นใจอาการของใจเรียกว่าจิต ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราเรียกว่าจิตผู้สรงใสนะแต่มาหน้าหลังทัศนคติทุกอย่างนรอบด้านเหล่าขางเราเรียกว่าจิตผู้นั้นเราเรียกว่าจิตเอาสติไปคุมสติือรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวจิตนั่นอยู่เสมอเสมอตลอดเวลา เราอยู่ทั้งนอนเดนนี่ก็เราอยู่เดนนี่ก็รู้จักว่าเห็นจิตตนอยู่เสมอจิตเป็นยังไงถ้ามันเห็นอยู่เสมอเสมอมันคิดดีคิดชัว่วคิดอยาคิดเลี่ยคิดปรุงคิดแต่งอะไรต่างๆเห็นอยู่ตลอดเวลาควบคุมไม่อยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นจิตแล้วคุมจิตอยู่แล้วมันจะคิดก็ให้คิดได้มันจะนึกก็ให้นึกได้ให้รู้จั ก, กว่านึกมันคิดมันปรุง ม, มันแต่ง และไม่ให้คิดไม่ให้นึกก็อยู่ได้ไม่ปรุงไม่แต่งก็อยู่ได้นั่นแหละบังคับจิตอยู่อย่าให้ใจจิตบังคับเราจิตบังคับไม่เราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ในอานาจของจิตมันต้องเป็นไปตามวีสัยอำนาจของจิตคนเราธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรากํำนด มีสติควบคุมมันจึงเลยมันยังจึงมาอยู่ในอานาจของจิตจิตไม่อยู่ในอานาจของเราสักวนีิมันชักชวนไปทางดีทางชั่วก็ไม่ให้ไปอยู่ได้ชักชวนไปทางชั่วให้โลภให้โกรธให้หลงให้คิดประหัตประหารให้ฆ่าให้ตีเขาเก่ฑ์ดีให้สายบนทางกุศล อย่าอย่าให้ไปให้อยู่คงที่มันก็จะเข้าถึงใจอละครับจิตกับใจมันดังห่างมันคนละอันกันแต่แท้ที่จริงท่านพูดันเดียวกันนะั่นแหละจิตในใจนั่นใจในใจิตนั่นท่านพูดอย่างนั้นแต่ทำไมยังเรียกว่าจิตกับใจลองคิดดูสิมันต้องไม่แปลกันอยู่ ใจมันต้องชฉยเฉยอยู่คือของกลางเนียกว่าใจสิ่งอะไรเป็นกลางกลางสิ่งนั้นเรียกว่าใจอย่างใจมือใจเท้าก็ชี้เงิตรงกลางแหละใจคนก็ชี้เงินท่ากลาง อ, อกมันเนี่ยจะมาทราบไปอยู่ไหนเราละจะชี้เทํากลางเรียกว่าใจนั่นนั่นเลยใจคือมันไม่มันอยู่ทํากลาง ทำกลางสิ่งต่างๆไม่คิดดีคิดช่่อไม่คิดอย่างไมเอียดแต่มีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแหละเป็นใจเมื่อเข้าถึงใจลองดูเองคันนี้มันจะเป็นยังไ ง, ะงนะควนเมื่อชาติไปกำหนดจิตควบคุมจิตได้จ น, นถ้าเข้าถึงใจ อันที่ควบคุมจิตนะคือว่ามันกระซับกระสายยินหล้นเดือดร้อนกระซับกระสายวุ่นวาแล้วคุมตัวนั่นนะ่ะเอาสติไปคุมตัวนั้นไว้จนเข้าถึงใจมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเองมันแต่มันไม่คิดไม่สงสยัย มันได้เป็นตัใจเดิมแท้มันจะมันจะดีไงล่ะลองดูสิถ้าว่าคุมใจได้มันก็ไม่มีอะไรนั่นสิมันเมื่อไม่เมื่อเข้าถึงใจไม่มีอะไรนี่คนรู้สึกเฉยมันก็หมดเรื่องมันจิตมันมันคับเราให้เดือดร้อนวนไหวร้องไห้ร้องโหหัวเราะเฮฮาทารุณทุกอย่าง ร้องไห้กันมันข้าไปแล้วร้องไห้ทั้งที่เราไม่อยากร้องไห้ร้องไห้มันน่าเกลียดจิตตายน่าอาภายขายขี่หน้าคนอื่นจะตตายอะ่ะแต่เมื่อกี้มันข้าไปจนร้องไห้ได้พอวเราะเพื่อเพินสนุกขนาน ด, ดีไหมชอบใจมันควรที่จะหัวเราะเพื่อเพลินอยู่เสมอแต่มันก็เวลาร้องไห้ก็ทําได้เวลาเพื่อเพลินลุกหัวเราะก็ทําได้ นั่นเพราะมันบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับแล้วมันก็หยุดเอาสติไปตั้งเมื่อไรหยุดเมื่อนั้นรักษาจิตอยู่อยู่คงที่เลยมีพูดถึงเรื่องขโง่อธิบายา่านี้ว่าถึงเรื่องขโง่เราพากันเรียนขมโม่มันเถอะมาเรียนขโง่กัน เรียนอย่างอีพีที่ว่านี่แหละมันจึงจะค่อยหายโง่ความโง่ไม่มีที่สิ้นสุดโง่ไปลึกตึ้งกระทั่งอันที่มันนอนในกิเลสมันนอนอยู่ภายในใจเขาเรียกว่าขา้อโง่อานุสัยนอนอยู่ใน ใ, นใจเขาเรียกวข้อโง่ ตราบใดยังไม่ทันถึงเมื่อฝนนิพานตราบนั้นยังมีโกงโง่ตลอดเดีหรืพปาญจชนพาการเรียนโกงโง่มาถึอวันนี้รับเท่านั้นแ่ะองค์ก็เขาว่านั่นนะกรรมฐานไม่ทําอะไรนี่จะนั่งรับหูรับตังโง่เหลือเกินเขาบอกว่างัน้นเขาพูดกันว่างัน้นถ้ามันสมกับเขาว่าลองดูถ้ามันโง่จริง โง่อย่างกรรมฐานเมื่อหลับตาแล้วต้องเพ่งพิจารณาคือจะพิจารณาเอาคุโทโรก็ตามเถิดจะอานาป่ า, าะติก็ได้แล้วแต่ใช้จะตนัดที่ไหนหรือว่ายกหน่อพ่อหน่อก็ใช้ได้เหมือนกันสมารหางก็ใช้ได้เหมือนกัน ให้ใจไม่จู่ในอันนั้นได้ก็แล้วกันอันนั้นเป็นเครื่องล่อเหมือนกับทะเาลาะปลาเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อปลามันกินเบ็ดเวลาปลามากินเบ็ดแล้วมันติดเบ็ดเหยื่อเขาไม่เอาดอก เ, เอาตัวปลาต่างหากหรอกส่วนสมาร์ทหางไม่ว่ายกหนอ้องพ้องนองอะไรต่าง เรืออนาปาสติธรรมฐานก็ตัาา้ตพุทโธก็จั่งเมื่อจิตมันนิดมันนิ่งอยู่กับมันนั่นแล้วมันลืมมัดดอกของภายนอกทั้งว่าจิตมาอยู่แต่ลืมมดไม่คิดสงสัยเรืงเรื่อ ง, งต่างที่มันคิดมันก็หายไปเมื่อจิตมาหลวมมันมันหายหไปยังจับจิตไม่ได้ก่นนั่นนี่ มันมันรวมแล้วนะมันหายออกไปสิ่งต่างๆแม้แต่คาวิธีกรรมอันที่ว่าอยู่นะก็หายไปด้วยไม่ได้ความปล่อยโปร่งโล่งสว่างเบิกบานกับใน จ, นนาใจา บ, บ า, ง, า ง, ง, งคนยังไม่เข้าใจซ้ําคําว่าเบิกบานคือว่าปล่อยโปร่งโล่งนี่ยังไม่เข้าใจซ้ําว่าเป็นใจ อะไรเป็นคนปลอดโพงโล่งอกโลงใจนในไครโล่งใจก็บอกว่าโลงใจพลอดโพงก็ปลอดโพงใจก็บอาใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าใจมันอีกใจคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจคือให้ใจปกะโคมโปร่งนะความโล่งนะคมสว่างนะต้องเบิกบานนะใจประคุณนะั่นแหละ ใครเป็นคนว่าก็จับเอาคนนั้นนอะคนผู้ว่าเนี่ยนะเนะมื่อจับเ่าผู้ว่าแนละ้วท่านนี้จะเห็นตัวขึ้นมาตนะัวปลอดคงร่องอกร่องใจนะั้นจะเห็นตัวขึ้นมาจับเอาตัว น, นั้นใดให้ได้ จับก็ให้อยู่ได้จนนานแสนนานก็ให้อยู่ไปซะก่อนคิดดูแต่เราเกิดขึ้นมาอยังจับเอาอตัวนั้นไม่ได้สาบทีอายุนานฝันนี้แหละยัยงจับตัวนั้นไม่ได้ถ้าเมื่อจับได้แล้วนั่นจะอยู่นานแานนานก็ให้อยู่ไปซะก่อนอย่าพึ่งไปอยากรู้อยากเห็นเป็น โน่นเป็นนี่อะไรต่างถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเป็นโน่นเป็นนี่อลไรมันก็เลยหายไปหมดตัวนั้นก็ไม่จับปไปหลายคำมันวิ่งไปตามของเก่าเรื่องเก่าเลยหายไปหมดจึงให้จักพอตัวว่าต่อปลอดโป่งหรือตัวรู้ตัวเห็นตัวพวกคิดคุนึก กระจากว่าผู้คิดผู้นึกนี่ยมันส่งไปในสิ่ง ใ, ใดๆไปจกักเอาผู้นั้นผู้มันส่งอ่ะนะเมื่อถ้าเห็นตัวต้นเข้ามานี่ยตัวนั้นน่ยเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวนั้นเป็นต้ตตต น, น, น ต, ต่อของป่อเกิดของกิเลสให้มันจะงบให้มันโง่ยอย่างนี้นเขาว่าได้ก่อนถ้าโง่อย่างนี้ใครทําได้ ใครบ้างเลยที่ทำได้โง่โง่ช่นะไหมมันทำยากด้โง่นี่